ท่านอาจารย์องค์นี้ปกติชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ ร, ร้ายซึ่งน่าจะเคยมีอริัตรูต่อกันกับสัตว์ทั้งหลายมาแต่อดีตอยู่มากมายจึงชอบเด่นในทางประสบภัยบ่อยที่สุดในชีวิตแห่งนักบวชท่านแต่เมื่อสังเกตดูตามเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่ารายใดมักจะมาเสริมกำลังทางจิตใจท่านให้เด่นขึ้นทุกคราวที่เผชิญมิได้ทำให้เกิดความอาภัพอับเฉาเศร้าใจ และเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ท่านแต่ประการใดยิ่งเผชิญบ่อยก็ยิ่งทําให้ท่านเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อศีลเชื่อธรรมและเชื่อสมรรถภาพทางจิตใจตนเองมากขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่ไม่ประสบพบปะสิ่งใดๆเช่นเลยจึงทําให้สันนิษฐานหรือคิดด้นเดาไปตามความรู้สึกของวงนักปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันว่าเพราะอํานาจแห่งเมตตาจิตอํานาจแห่งจิตของผู้ปฏิบัติ และอำ น, นาจแห่งธรรมอันเป็นธรรมที่เคยให้ความไว้วางใจและความร่มเย็นแก่โลกตลอดมาก็ได้จึงทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้กำลังจิตใจไปทุกระยะที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็น่าจะอยู่ในข่ายแห่งความเป็นผู้มีเมตตาจิตแรงพอให้เกิดความสะดุดใจเพื่อลดความโหดร้ายทารุณของสัตว์ต่างๆลงได้จนกลายเป็นมิตรภาพอันสนิทสนมทางภายในแก่กันและกันได้ มิฉะนั้นคงเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ไปนานแล้วไม่ได้มาเป็นเจ้าของประวัติทั้งที่องค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้เลยธรรมจึงเป็นความมหัศจรรย์เกินคาดสาหรับผู้ที่ได้สัมผัสรับทราบประจักษ์ด้วยตนเองแต่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับรายที่เป็นอยู่ในวิสัยจะมีทางทราบได้แต่อย่างไรก็ตามธรรมต้องเป็นธรรมคู่เคียงกับโลกอยู่เสมอไปม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมผัสรับรู้หรือไม่รู้ เชื่อหรือไม่เชื่อของคใครๆเพราะทําเป็นเอกสิทธิ์เอกธรรมตามหลักธรรมชาติของตนมาดั่งเดิมมิได้ขึ้นอยู่กับอะไรพอจะเอ็นเอียงหรือคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นๆท่านอาจารย์องค์นี้ท่านคงเชื่อคุณธรรมทั้งหลายทั้งกล่าวมาอย่างฝังใจจึงชอบบุกป่าผาอุปสรรคนานาชนิดไม่มีท้อถอยอ่อนแอแต่รู้สึกท่านพอใจและดําเนินวิธีนี้อย่างสนิทใจมากขึ้นเราทราบได้เวลาออกพรรษาแล้ว ท่านต้องออกเดินทุดงเข้าป่าเข้าเขาหายเงียบไปเลยทุกปีไม่เห็นท่านมาอยู่มั่วสมคลุกครีกับใครๆเห็นแต่ท่านเข้าป่าเข้าเขาเร่งความเพียรทางใจไม่มีรดละปล่อยวางท่านพูดเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องถ้ำเงื่อมผาในสถานที่ต่างๆได้อย่างคล่องปากด้วยท่าทางอันพอใจจริงๆยิ่งให้ท่านพนาปากพนาเขาพนาถ้ำพนาเงื่อมผาได้แล้ว ทำให้ผู้ฟังสนใจในสภาพเช่นนั้นอยู่แล้วเกิดความเพลินใจไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆแล้ววาดมโนภาพไปตามอย่างสุดซึ้งเพลินใจประหนึ่งตนก็จะไปปรงภาระอันหนักหน่วงคือกิเลสทุกประเภทจากบนบา่าคือดวงใจลงโดยสิ้นเชิงในที่ดังกล่าวนั้นจริงๆฟังแล้วเกิดกําลังใจคิดอยากไปและอยู่ในที่มอมอกดังท่านเราให้ฟังเป็นที่บําเพ็ญใจจะได้สงบเยือกเย็น ง่ายกว่าที่ธรรมดาที่เคยอยู่มาจนจำเจท่านเล่าว่าบางครั้งจะเป็นเวลาเรากำลังนั่งภาวนาอยู่หรือจะเป็นเวลาเรานอ น, อนหลับก็ทราบไม่ได้ตอนกลางคืนไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เสือโครงใหญ่ด้อมเข้ามาจนถึงแคร่เล็กๆที่เราพักนอนโดยไม่รู้สึกตัวเลยตื่นเช้าจึงเห็นรอยมันเพราะบริเวณที่อยู่อาศัยเราปัดกวาดไว้อย่างเลียนลงอะไรเดินเข้ามาต้องเห็นรอยทันที พอเห็นรอยมันตอนเช้าข้างๆบริเวณจึงตามดูรอยมันเข้ามาที่ไหนได้มันเข้ามาจนถึงแคร่ที่นอนเราจริงๆไม่ได้ห่างกันอะไรเป็นเม็ดเม็สอกๆเลยเรากะดูรอยเท้าที่มันเหยียบไว้กับแต้ที่นอนห่างกันเพียงสอกเดียวก็ไม่ถึงมันคงจะสูดดมกลิ่นคนดิบดีแล้วค่อยถอยออกไปเวลาไปก็กลับออกไปทางเก่าที่มันเข้ามานั่นเองม่เที่ยวเดินตามบริเวณรอบๆที่เราพักอยู่เลย พอเห็นรอยมันที่กล้าหารเข้ามาจนถึงตัวคนเรารู้สึกเสียวนินดๆเพราะรอยมันใหญ่มากผิดปกติแต่ก็เห็นมาเพียงคืนเดียวเท่านั้นไม่เห็นมาอีกเลยเราเองก็พักอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆถ้ามันสนใจจะเอาเราเป็นอาหารจริงๆก็คงกลับมาอีกแต่เห็นหายเงียบไปเลยได้ยินแต่เสียงมันร้องครวญครางอยู่ตาม ร, บรอบๆบริเวณธรรมดาเหมือนที่เคยได้ยินทั่วๆไปผู้เขียนเป็นคนนิสัยซอกแสก พอได้ยินท่านเล่าให้ฟังก็รีบเปลียนถามเป็นเชิงส่งเสริมทันทีว่านั่นเข้าใจว่ามันเข้ามาไหว่ชมบารมีท่านอาจารย์ต่างหากมิได้เข้ามาฐานเป็นศัตรูเพราะมันเป็นสัตว์บวชบำเพ็ญธรรมไม่ได้เหมือนมนุษย์เมื่อเดินเที่ยวเปะปะมาเจอพระผู้มีเมตตาเข้าบ้างก็เกิดความเลื่อมใสสถานจะเข้ามากราบไหว่ชมบารมีในเวลาธรรมดาก็เกรงว่าพระท่านจะกลัวเลยแอบด่องเข้ามาในเวลาท่านหลับจะได้ชมสนิทใจ ทั้งพระท่านก็ไม่รู้สึกตัวและไม่กลัวอันเป็นการขย่าค ว, วันโดยผิดความมุ่งหมายที่มันอุตส่ามากราบเยี่ยมทั้งทีพอได้ไหวอย่างสมใจแล้วก็รีบถอยออกไปทันทีกลัวท่านจะตื่นและกลัวซึ่งอาจแสดงอาการหรือร่ายมนวิชาคาถาอาคมอย่างใดอย่างหนึ่งใส่มันก็ได้พอให้เสียเสียเส้นใจที่มันเคารพเติมใส่กระผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นไม่เช่นนั้นมันคงไม่กล้าเข้ามาจนถึงที่อยู่ในแนะ ท่านหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามันจะไปรู้ความเรื่องสศรัทธาอะไรกับเรานอกจากมันอาจคิดว่านี่เป็นอาหารว่างของเราหรืออะไรกันแน่เท่านั้นจึงแอบเข้ามาดูพอทราบว่าเป็นคนซึ่งเป็นสิ่งที่มันเคยกลัวมาจะเกิดจึงรีบหลบหนีไปนับแต่วันนั้นแล้วไม่เห็นมันมาด้อมด้อมมองๆ อ, อีกเลยจนกระทั่งเราหนีจากที่นั่นท่านว่าสัตว์พันนี้ก็แปลกเรากำมีอะไรเข้าสิงใจให้มันคิดอยากมาดูพระกรรมฐาน ที่กำลังนั่งทำสมาธิภาวนาบ้างกำลังเดินจงกรมทาความเพียรอยู่บ้างกำลังนั่งภาวนาอยู่ภายในมุ้งบ้างกำลังนอนหลับอยู่บ้างบางทีอยู่ๆตอนเช้ามันคิดอยากขึ้นมาหาเราก็ขึ้นมานั่งแบบสุนัขนั่งแล้วดูเราเอาอย่างเดืๆโดยไม่ทำท่าให้เรากลัวบางทีกลางคืนก็ทั้งเดินทั้งร้องครวนคลางขึ้นมาหาเราอยู่ในถ้ำเมื่อมาถึงแล้วก็นั่งดูเราเฉยๆแบบสุนัขนั่ง เสร็จแล้วก็ลงไปโดยไม่ทําท่าทําทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยแต่เราก็อดขยับมันไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วที่แต่ก็คือไม่ว่าตัวใดมาหาเราณที่ใดและเวลาใดซึ่งมีแต่ชนิดลายพาดกรอนตัวใหญ่ๆและยาวเหยียดน่ากลัวทั้งนั้นแต่ไม่ได้แสดงอาการคํารามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่น่ากลัวเลยเพียงมาดูๆเสร็จแล้วก็หนีไปไม่กลับมาอีกเลย ไม่ว่าเราพักอยู่ในที่เช่นไรเวลาคขามาหาเราก็มาในลักษณะเดียวกันคือมิได้แสดงตัวเป็นศัตรูและพยายามจะกัดฉี่เป็นอาหารแต่มาในลักษณะสัตว์บ้านที่มีความเชื่อมคินต่อคนมาแล้วจึงไม่ได้แสดงตัวเป็นศัตรูต่อเราแต่แสงตาที่มันมองมาหาเราแต่ละครั้งนั้นรู้สึกคมกล้ามากตามธรรมชาติของมันทั้งที่มันไม่ได้ใช้แสงตาสำประยุกต์ไปด้วยความคริ๊บโกรธหิหวโหยจะจะครบเรากินเป็นอาหารเลย แต่ก็เป็นแสงตาที่ขมกล้าหน่ากลัวตามธรรมชาติของมันอยู่นั่นเองผู้เขียนปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนถามท่านว่าเวลามันเข้ามาหาท่านอาจารย์อาจารย์ได้พูดอะไรกับมันบ้างหรือเปล่าท่านอาจารย์พูดบางเหมือนกันเช่นว่าจะขึ้นมาทำไมที่นี่เพราะไม่ใช่ทําเลหาจริงของแกเป็นที่พักภาวนาของพระท่านต่างหากไปเสียไปเที่ยวที่อื่นอย่าขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวพระท่านกลัวแกจะเป็นบาวตกนรกนะ ที่ว่าเดี๋ยวพระท่านกลัวนั่นว่าเฉยเฉยความจริงเรากลัวมันอยู่แล้วแต่ขณะที่มองเห็นทีแรกผู้ถามท่านอาจารย์เคยเดินเข้าไปหามันบ้างหรือเปล่าขณะที่มันขึ้นมานั่งดูท่านอาจารย์อยู่ต่อหน้าท่านบางครั้งก็เดินเข้าไปหามันเหมือนกันเวลาบอกให้มันหนีไปแต่มันยังไม่ไปคงนั่งดูเราเฉยอยู่เราก็เดินเข้าไปหามันซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสามสีว่วาเท่านั้นทั้งเดินเข้าไปทั้งชี้ไม้ชี้มือบอกมันว่า น่นทำเเที่ยวของแกไม่อดมีแต่ปลาแต่เขาทั้งนั้นจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามชอบใจดีกว่ามาเที่ยวที่นี่ให้พระท่านกลัวไปเดี๋ยวนี้อย่าขึ้นมานั่งเล่นให้พระกลัวท่านกําลังภาวนาเดีย๋ยวตกนรกนะเวลาจะไปมันโดดปุ๊กเดียวแล้วก็หายเนียบไปเลยมันคงรู้เรื่องของพระอยู่บ้างผมว่าถ้าไม่รู้มันจะขึ้นมาหาอะไรในถ้ำที่เราอยู่เพราะถ้าบางแห่งก็โล่งโถงไม่น่าอยู่และไม่น่าขึ้นมาสําหรับสัพท์ท่านนี้ ซึ่งชอบอยู่ในที่กําบังหลบซ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวตามในิสัยมันต้องรู้เรื่องของพระอยู่บ้างจึงอุตส่าห์ขึ้นมาหาเราในลักษณะคล้ายคลึงกับเด็กที่คิดสนุกก็พากันขึ้นไปหาพระบนถ้ำซึ่งเคยมีอยู่บ่อยๆในเวลากลางวันเงียบๆแต่เสือผิดกับเด็กอยู่บ้างที่ชอบมาหาพระตอนกลางคืนหรือตอนเช้าๆก่อนบินทบาทผู้ถามก่อนที่เสือจะขึ้นมานั้นท่านอาจารย์เคยนึกอยากให้มันขึ้นมาหาบ้างหรือเปล่าท่าน จะคิดอยากให้มันขึ้นมาหาประโยชน์อะไรเล่าแม้มันมาชั่วขณะเท่านั้นก็กลัวมันแทบจะตายและเหนือกแตกโชคอยู่แล้วถ้ามันขืนอยู่ที่นั่นนานๆไมย่ยอมลงไปหน้ากลัวไข้จับสั่นเล่นงานในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยใครจะคิดคนองดื้อด้านอยากให้เสือขึ้นมาหาให้เข้าเรื่องเข้าเราอย่างนั้นเล่าแล้วท่านเราะนิดหนึ่งก็เห็นท่านอาจารย์กล้าหาญนึกกลัวอะไรอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยแก้ง่วงนึกสนุกขึ้นมาอยากให้เสือมาเป็นเพื่อนคุยบ้าง กระผมจึงได้เรียนถามอย่างนั้นท่านยิ้มแล้วพูดว่าหาเรื่องตายในเข่าท่าข่าทีอะไรเลยใครจะไปหาคิดเช่นนั้นซึ่งเป็นความประมาทผิดธรรมเผื่อมันโผล่ขึ้นมาทําท่าเอาจิงเอาจังจะมีโลกไหนคนกล้าไม่รู้จักตายอยู่ละ่ะดังนี้ปฏิปทาของพระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติกันมาถ้าพิจารณาตามความคิดเห็นของคนทั่วไปก็น่าจะเรียกว่าร่อแหลมต่ออันตรายแต่ถ้าพิจารณาไปตามธรรม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 ทำอยู่ภาคตายทาไมรอดตายก็ไม่เห็นทำดังนี้ก็เพราะการเสี่ยงต่อชีวิต จ, จิตใจความเป็นวาคตายจริงๆมี จ, จิตใจมุ่ง ม, มั่นต่อทำแดนหลุดพ้นเป็นหลักหยุดพระกรรมฐานผู้ตัง้งนามปฏิบัติจริงๆจึงมักเจอกับความอดอยากขาดแคลนประจําชีวิตในคราวเร่งความภาคเพียนแต่ จ, จิตใจอิ่มเอิบด้วยธทำมีความสงบผองสายเป็นเริอนอยู่ของใจไม่สรายแสวุ่นวายทูดงควาสิทธิ์สามข้อ เป็นธรรมจำเป็นสําหรับท่านและเป็นธรรมคู่ชีวิตในการดําเนินเพื่อมรุญผลนิพพานเช่นเดียวกับทุดงคภวตเป็นธรรมจาเป็นของพระครั้งพุทธกาลฉะนั้นบางองค์ชอบอยู่ร่มไม้ในหน้าแรงจนมุ้งกรดขึ้นราดำดำดำัดงๆไปหมดทั้งผืนเพราะน้าค้างมากและตกลงถูกกรดถูกมุง้งซึ่งปราศจากที่มุ้งที่บังในเวลากลางคืนถ้าเป็นหน้าหนาวน้ําค้างก็ยิ่งมากกรดกับมุ้งต้องเปียกทุกคืนตอนเช้านําออกจากแดดทุกเช้า แม้เช่นั้นก็ไม่้นขึ้นราถ้ารงผ้าได้ขึ้นราเป็นจุดดาเล็กๆแล้วแม้จะซักพอกเท่าไรก็ไม่ยอมออกต้องขาดไปด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะไม่ให้ขึ้นราได้เมื่อทนตากน้ําค้างไปนานๆและแห้งไปกับตัวกว่าจะนําออกตากแดดให้แห้งการเดินจงกรมท่านกวรเดินจริงๆพอให้เกิดผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้เดินแต่ละครั้งเป็นเวลา 3-4-5 ชั่วโมงจนรู้สึกเหนื่อยจริงๆถึงจะออกจากทางจงกรม แล้วเปลี่ยนมานั่งภาวนาต่อไปเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเช่นกันจึงจะหยุดพักผ่อนผู้ตั้งใจปฏิบัติธุดงกรรมาฐานด้วยความเอาจริงจึงจะเห็นคุณค่าของธุดงแต่ละข้อว่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้มากน้อยเพียงไรเพราะธุดงแต่ละข้อล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อทํำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นลำดับไม่มีแม้ข้อเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินเพื่อมากผลิพานเป็นทําเครื่องฝึกให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรม และเป็นนักต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะยังกิเลสให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจผู้ที่เคยอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกปา่าย่อมไม่อาจเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะเพิเกิดมีในปา่าอาจเห็นเพียงเหตุการณ์ในบ้านอันเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านๆเราเคยประสบกันมาจนเคยชินแต่ไม่อาจคิดเพื่อเห็นโทษจากเหตุการณ์นั้นๆบ้างเพื่อปลดเปลื่องต้นให้พ้นไปวันแล้ววันเล่าก็จำต้องโดนแต่เหตุการณ์ที่เคยโดน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 จึงทรงบัญญัติธุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดนอกจากนั้นยังเห็นคุณในการอยู่ป่าว่าไม่เกลื่อนกลลวุ่นวายกับสิ่งผสมทั้งหลายซึ่งโดยมากมักกดทวงจิตใจให้จมดิ่งลงเมื่อมีวันฟื้นฟูนขึ้นพอเป็นตัวของตัวได้แม้ชั่วระยะหนึ่งการชมทัศนียภาพต่างๆในป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เป็นเครื่องอยุแยก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นคนมัวเหมือนสิ่งที่ปรงแต่งขึ้นที่คอยแต่จะทําให้สลบสลายขณะที่โดนเข้าแต่ละสิ่งละอย่าง ยิ่งโดนอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาไปก็ยิ่งพูดไม่ถูกว่าจะสามารถประคองตัวไปได้กี่เวลากว่าจะหมดสติลมทั้งยืนเพราะยาที่ต่างๆที่สูดดมอยู่ตลอดเวลาจากสิ่งนั้ น, น, นท่านผู้คิดอ่านไตรทองธุดงตามพระประ ส, ะสงค์เข้าใจมากน้อยเพียงไรย่อมเห็นคุณค่าของธุดงข้ออยู่ป่าได้มากเพียงนั้นเพราะธุดงย่อมเป็นเครื่องสำอางอันสวยงามประดับพระศาสนาไว้ยอย่างน่าอาัศจรรย์ตลอดใส่ไม่อับเฉาเศร้าหมอง ในวงผู้บริษัทผู้รักษาไว้ได้และไม่ปล่อยให้ร่วงโรยเสียไปและประดับพระผู้ทรงทุดงข้อนี้ไว้ได้ให้เป็นสังฆโสภนาในธรรมวิในไม่มีที่ต้องตีทั้งภายในภายนอกในถ้าเงื่อมผาป่าเขาลำนาำไพรป่าชา้าป่ารกชัดในเขานอกเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้สติปัญญาความรู้ความฉลาดแก่พระผู้สนใจในธรรมเพื่อเปลื้องตน ไม่ชอบเกลื่อนกลลวุ่นวายกับสิ่งใดที่เป็นฆาสึกต่อการดำเนินเพื่อความพน้นทุกสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นความนิยมทางพุทธศาสนามาดั้งเดิมครั้งพุทธการมีพระพเจ้าทรงเป็นแนวหน้ากล้าหาญไม่ทรงสถุกสถานข่าวความเป็นความตายทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาก่อนจนได้ตรัสรูธ้ธ ร, รมดวงเลิศและสั่งสอนเวไนาสาวกทั้งหลายที่เด็ดสลับรมและสถานที่ที่เหมาะสมต่างๆจากพระองค์ต่างพากันบำเพ็ญตามรอยพระบาท จนเกิดสติปัญญาความฉลาดทันคุลมารยาภายในที่เคยหลอกลวงพาให้ตกนรกในภพน้อยภพใหญ่มานานแสนนานและสลัดปัดทิง้งความสกรปรกสมมมภายในใจของตนเสียได้โดยขิ่นเชิงในป่า น, านั้นๆบ้างในเขาลูก น, นั้นๆบ้างในถ้ำ น, นั้นๆบ้างในเงื่อมผาป่าไม้แถบนั้นนั้นบ้างในป่าช้านั้นๆบ้างในเรือนราวก่างเปล่านั้นบ้างใต้ร่มไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวในราวป่าราวเขา น, านั้นๆบ้าง ที่เชิงเขาท่นั้นบ้างสถานที่เหล่านั้นจึงเป็นที่เพาะปลูกทำภายในใจของผู้ปฏิบัติให้มีราคามั่นคงภายในได้ตลอดมาถึงปัจจุบันสมัยถ้าเทียบต่างความนิยมใ น, นสมัยนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสถานที่ทำปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือมหาบัณฑิตอะไรสุดแต่จะเรียกสาหรับนักศึกษาทั้งหลายที่สนใจเพื่อ เรียนความรู้จบแล้วกลับมาสู่ภูมิลำเนาของตนทุกต น, ตนและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปสถ า, านที่เหล่านี้ครั้งพุทธการถือเป็นสำคัญเรื่อยมาตลอดปัจจุบันสำหรับนักศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆได้บำเพเ็ญเต็มสติกำลังของตนวิชาขั้นต่างๆที่ควรได้ควรถึงมหาวิทยาลัยป่าเป็นต้นนั้นคือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจนถึงขั้นอัครมหาบัณฑิต ท่านทที่เรียนและปฏิบัติในสถานที่ดังกล่าวซึ่งควรเรียกมหาวิทยาลัย ไ, ได้แก่ขั้นโสดาปติมัคโสดาปติผลเสกีทาคาริมัคเ ส, ะสะกีทาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลและอรหัตมัคอรหัตผลแล้วบรรลุ ถ, ถึงนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันซึ่งควรเทดนาว่าอัครมหาบัณฑิตเพราะผู้เรียนจบขั้นสุดท้ายแล้วเป็นปุญญเขตร์แก่ตนและผู้อื่นโดยสมบูรณ์ ไม่มีวิชาใดาที่ยิ่งกว่านี้ในไลายพบดังนั้นเขาลําเนาไทยเป็นต้นเพื่อสอดคล้องต้องการขับโลกที่เป็นคู่เคียงกันมาดั้งเดิมจึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของอัครมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระาศาสนาทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระาศาสนาและประธานแก่ภิกษุบริษัทตลอดมาโดยใจความย่นย่อว่า ลุกขโมูลเสนาสนังเป็นต้นลาดับต่อมายังประทานธุดงเคงเพิ่มพออีกสิบสามข้อซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขโมนต้นมไม้อยู่ในทุดงค์นั้นด้วยมหาวิทยายลัยเหล่านี้แหลที่พระครั้งผจญท่านสนใจอยู่เรียนและปฏิบัติการเป็นล่ําเป็นสันเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆจนสําเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกและอัครมหาบัณฑิตนำธรรมที่บริสุทธิ์เนื้อแท้มาประกาศสั่งสอนโมชน แทนพระาศาสดาพอทรงเบาพระภาระลงบ้านาศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเราต่างๆไม่มีประมาณทางนี้เพราะอาศัยมหาวิทยาลัยปาขาเป็นต้นเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์มหาศาลทั้งแก่พระาศาสดาและสาวกทั้งหลายให้สำเร็จวิชาอัครมหาบัณฑิตขึ้นมาให้โลกเด็กราบไหว้บูชาเป็นกวญตากวญใจตลอดมาถ้งชาวเราทั้งหลายได้ถือเป็นเส้นชีวิต จ, จิตใจ และปฏิบัติตามตลอดมาพอรู้ประสีประสาวา่าเป็นผู้เป็นคนตามภูมนุษย์ที่นิยมกันทุดงขวัตเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ควรตั้งมหาวิทยาลายัยและวิชาที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลกทุดงควั1สิบสามกับขันทวัสิบสี่ของทางศาสนาก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลายัยและหลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงโดยแยกออกจากทุดงบางข้อ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 เรินว่างที่ปราถิจาคนอยู่อาศัยเป็นต้นส่วนที่ควรสงเคราะห์เข้าในหลักวิชาคือภาคปฏิบัติแห่งมหาวิทยายลัยสงก็สงเคราะห์เข้าตามควรเช่นการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดการถือเฉพาะผ้าสามเหรยนเป็นวัดการบินธบาตเป็นวัดการฉันใ้บาทเป็นวัดการฉันหนเดียวในวันหนึ่ ง, งเป็นวัดการห้ามพัดที่ตามมาทีหลังเป็นวัด การไม่พักนอนเป็นคืนๆไปเป็นวัดกรรมฐาน40ห้องซึ่งเป็นหลักวิชาทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยกันกันกบธุดงภาควิชาการสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแขนงต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามาแต่พระศาสดาเริ่มประกาศธรรมสอนโลกสถานที่ต่างมหาวิทยาลัยและหลักวิชาประจํามหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งด้วยกันตามแต่นักศึกษาจะเลือกอยู่และศึกษาอบรม สถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมคือป่าหนึ่งโคนไม้หนึ่งป่าช้าป่าชัดหนึ่งที่แจงหนึ่งที่พิเศษออกไปคือถ้ำเนื้อมผาบนเขาไหลเขาหุบเขาชายป่าชายเขาเหล่านี้ล้วนถือเป็นสำคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกันมาวิชาที่เห็นนับคนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ไ, ได้แก่ ทูดงควัตภาคปฏิบัติประจําอิริยาบทต่างๆดังที่เขียนผ่านมาแล้วคือถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดถือบินทบาสเป็นวัดถือฉันในบาสเป็นวัดถือฉันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งเป็นวัดเป็นต้นและกรมฐานสี่สิบมีอาณาปณะสติเป็นต้นนี่ถ้ามีโอกาสจะอธิบายทีหลังล้วนเป็นหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติตามจะไม่ผิดหวังในปริญญาตรี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 เปิดรับทั้งหน้าแล้งหน้าฝนทั้งกลางคืนกลางวันทั้งวันธรรมดาทั้วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดอยู่ตลอดเวลานับแต่วันตั้งมหาวิทยายลัยเป็นต้นมาจนบัดนี้เป็นเวลานานร่วม2องพันหกรปีโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อํำนวยการสร้างและเป็นศาสตราจารย์สั่งสอนด้วยพระองค์เองเริ่มรับสอนแต่ขั้นอนุบาลประถมมูลจนถึงขั้นปริญญาอัคารมหาบัณฑิตจิตเป็นธรรมแท่งเดียวนักศึกษาของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ภิกษุณีไม่มีจึงเอาสามเณรเข้าแทนนักศึกษาบำเพ็ญจากมหา ว, วิทยาลัยรุ่นแรกคือเบญจวัคคีทั้งห้ามีพระอัญญาโกณทัญญาเป็นต้นรุ่นที่สองคือพระยศกุลบทกับสหายหกสิบคนรุ่นที่สามคือเจดินสามพี่น้องที่เป็นอาจารย์รวมทั้งบริวารของแต่ละอาจารย์ เป็นจานวนพันสามองค์ด้วยกันท่านเหล่านี้ล้วนสำเร็จการศึกษาอบรมจากหลักวิชาวิมุตแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นขั้นอัครมหาบัณฑิตทั้งสิน้นและเป็นศาสตราจารย์ขั้นรองพระพุทธเจ้าลงมาโดยฐานะตำแหน่งคือเป็นสาวกอรหรันทำการสั่งสอนประชาชนช่วยพระพาระของพระศาสนาให้เบาลงสินน้าใจเป็นเครื่องตอบแทนคือผลงานที่เกิดแก่ประชาชนมากน้อย นั่นท่านถือเป็นที่พอใจคุ้มค่ากับความเมตตาที่มีแก่หมู่ชนแล้วถ้าพูดแบบโลกนิยมเกี่ยวกับค่าตอบแทนท่านก็มีนิตยภัตเดือนละสามสิบาทเสมอกันทุกองคน์นับแต่พระศาสดาลงมาถึงสามเในน้อยน้อยนับว่าเป็นความเสมอภาคดีมากอยากจะหาน้ำใจใดเสมอด้วยน้ำใจของพระอัครมหาบัณฑิต ท, ทั้งหลายที่มีเมตตาต่อโลกเสมอมาไม่มีรดย์ผ่อนคลายฉะนั้น ชาวพุทธเราจึงกล้ายืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ดีจากสู่ต่างๆแห่งมหาวิทยาลัยก็ดีของพระพทศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอํานวยการสร้างและการสอนเองและรับสั่งภาสาวกอรหันทั้งหลายให้สั่งสอนแทนในสมัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยและหลักวิชาที่เลิศโลกไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนในไตรภพแม้เทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นากรุตทั้งหลายยังยอมรับนับถือ และยกย่องพระองค์เป็นครูเอกอ克拉มหาบัณฑิตในสามภพดังมีในบทพุทธคุณว่าสัต ธ, ธาเทวะมนุษยานังเป็นต้นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งาศาสนาก็ทรงอุบัติตรัสรูขึ้นในถ้ำกลางแห่งมหาวิทยาลัยและวิชาวิวมุตทั้งหลายทั้งกล่าวมาจึงทรงยกย่องเถิดคูณสถาปันป่าเหล่านี้มาประจำศาสนาของพระองค์เวลาคุนบุตรบวชเป็นพระก็ทรงสอนกรรมฐานห้าและอนุสาส มีการอยู่ร่มไม้เพร่นต้นให้เป็นเข็มทิศทางเดินของปฏิบัติภคปฏิบัติและเป็นเครื่องมือฟาดฟันบุกเบิกดงหนาป่าทึ็บคือกิเลสชนิดต่างๆภายในใจที่ปิดกั้นการจิตไว้ไม่ให้มองเห็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานให้เตียนโลงไปด้วยธรรมมาวุฒที่ประทานให้เวลาบวทเป็นเนนก็สอนกรรมฐานห้าให้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมารร้ายต่างๆให้พินาศคาศูนย์ไปจากใจเป็นเพียงไม่ทรงสอนอ น, อนุสศาดศ เกี่ยวกับการอยู่ป่าอยู่เขาเท่านั้นทางนี้อาทรงเห็นว่ายังเล็กอยู่จึงยังไม่ส่งเข้าแนรบอันเป็นชัยสมรภูมิสําคัญพระสาวกอราหันจำนวนมากในครั้งพิจารณาแท้พูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยที่สําเร็จจากสถาบันแห่งป่าดังกล่าวมารพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเรียนปริญญาธรรม จ, จบถึงขั้นอัครมหาบัณฑิต จ, จากป่าจากเขาวิชาที่ท่านสําเร็จจากมหาวิทยายลัยดังกล่าว รวมเป็นวิชาประเภทวิมุตต์เวลานําออกมาประกาศสั่งสอนโลกจึงเป็นวิชาที่แน่นอนและไว้ใจได้ทั้งองค์ท่านผู้สําเร็จและวิชาที่สําเร็จมาไม่มีสิ่งแปลงปลอมเคลือบแฝงอยู่เลยผิดกับวิชาและผู้ศึกษาทั่วไปอยู่มากแต่มหาวิทยาลัยสงการเหล่านี้หาท่านผู้สมัครเรียนยากอาเป็นเพราะสถาบันนี้มอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าตัวซึ่งกําลังเป็นนักศึกษาปกครองตนเอง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 ทั้งอาจารย์และนักศึกษาซึ่งอยู่ในคนคนเดียวกันก็จะก้าเข้าสู่ความสงบสุขแม้เข้าไปอยู่ในป่ากับสัตว์เสือธ น, า, นาชนิดก็ไม่กลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเย็นใจและสนุกรื่นเริงไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆที่มาขับกล่อมบรรเลงเพลงป่าตามประษาของเขาให้ฟังอย่างเพลินใจได้คติไม่ขาดทุนสูญทรัพย์เหมือนเพลงมนุษย์ที่แสนบาทตึกลงคู่หัวใจถ้าใจา ย, ยังตื่นเต้นอยู่ คอยแต่จะโผล่หัวออกมารับอากาศอาถูกพายุเพลงพัดผันให้ขาดกระดูกกระจายไปอย่างไม่เป็นท่าหน้าดูเลยก็ได้และเสียไปทั้งคนทั้งทรัพย์จนยับยัง้งตั้งตัวไม่ได้และเสียไปจริงๆแต่เพลงของสัตว์ป่าที่ขับกล่อมตามการเวลาของเขาฟังแล้วทำให้เพลินและสงสารอย่างจับใจยิ่งพระกรรมฐานไปพักอยู่ที่ใดสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีปีกไม่มีปีกชนิดต่างๆ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 แต่สัตว์มีหลายพวกและนิยมเที่ยวหากินและร้องในเวลาต่างๆกันจึงไม่ค่อยขาดระยะแม้เวลากลางคืนเพราะสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนก็มีมากเช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันฉะนั้นเสียงร้องครางต่างๆจึงนี้ไม่ขาดระยะตลอดเวลา24ชั่วโมงการอยู่และศึกษาวิชาธรรมตามนโยบายทางพุทธศาสนาในสถาบันดังกล่าวจึงรู้สึกลําบากผีดขับที่เรียนตามคัมภีร์อยู่มาก แต่ถ้าทนเรียนและปฏิบัติได้หากมีผลผลมากมีอานิสงส์มากและทราบประจักษ์ใจตัวเองคุ้มค่าที่อุตสาบุกเบืนแทกเป็นแทบตายผู้ไม่ใจกลัดใจกล้าหน้านักรบจริงๆย่อมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นราวกับถูกดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาส่วนจะมีใครมาบังคับกูเข็นนั้นไม่มีนอกจากเจตนากวาหวังก้าวหน้าของตนเป็นเครื่องบังคับในตัวเท่านั้น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 ก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่นาคิดคนอื่นทรมานตนด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆที่แสนทุกแสนลำบากถ้าเรายังไม่ประสบความทุกข์ความทรมานแบบนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่นาคิดความทุกข์ความทรมานเพราะเหตุต่างๆที่เกิดจากการฝึกอบรมด้วยความเพียรของผู้อื่นถ้าเรายัง <donc, S 2> ไม่ประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่นาคิด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 คือความสุขที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆน่าแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงสุดด้วยใจตัวเองแล้วนั่นแหลจึงจะเห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดมากและอาจพูดได้ว่าน่าคิดอย่างเต็มหัวใจเห็นทุกโทษก็เห็นอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณที่เกิดจากเหตุที่ทําก็เห็นอย่างเต็มใจหายสงสัยทุกอย่างไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งประจักษ์ใจทั้งโทษทั้งคุณทั้งสุขทั้งทุกที่เกิดจากตนผู้เดียว รพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตามหาคุณแก่โลกมีพระประสงค์อยากให้สัตว์โลกปฏิบัติและรู้เห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรด้วยตัวเองไม่ประสงค์ให้เชื่อแบบมงคลตต่มข่าวที่คนอื่นเล่าให้ฟังแม้เป็นความจริงการปฏิบัติธรรมทุกขั้นอันเป็นวิสัยของตนจะควรรู้ควรเห็นก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจตัวเองดีกว่าไปฟังจากใครรู้จากใครที่ไม่ใช่สมบัติของตนผู้ทาเอง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 ที่สอนหมู่ชนด้วยพระปีชาสามารถมุ่งความเฉลียวฉลาดแก่ผู้มาอาศัยร่วมเราแห่งพระบารมีให้ได้บรรลุมากผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสุดยอดปลอดภัยสิ่งความเสน่ห จ, จันไรที่เคยเป็นข้าศึกมาประจำภพชาติเมื่อบรรลุ ถ, ถึงขั้นอาคาะครมหาบัณฑิต จ, จอมปราดแล้วก็ชื่อว่าเรียนจบหลักวิชาในมหาวิทยาลัยสง์แห่งพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ไม่จําต้องไปเรียนที่ไหนต่ออีกในอัตภาพที่เป็นอยู่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 ที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภคแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเนื้อผาหรือสถานที่ใดจุดใหญ่ก็เพื่อรู้เรื่องของจิตเป็นสําคัญแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นจานวนมากจำพรรษาอยู่ในป่าในเขาเช่นเดียวกับท่านพาดำเนินมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตเป็นสําคัญการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและสติปัญญาความสามารถก็เพื่อรู้จุดจบ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 นอนอยู่ก็เพียนเว้นแต่ละไม่เช่นนั้นไม่ทันร่องรอยของกิเลสตัณหาซึ่งมีวิชาภาสัตายรอบโลกสงสารและรวดเร็วยิ่งกว่าพายุบุคแคมเพียงขนาดเดียวมันฉุดไปได้รอบโลกในสามภพตามไม่ทันและขนทุกข์มาให้เจ้าของผู้โง่เขลาเบาปัญญากว่ามันได้รับเสเวยทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งทุกข์ทรมานไม่มีรถแห่งทุกใดเสมอกับรถแห่งทุกที่กิเลสชนิดต่างๆขนมาทับถมหัวใจ ฉะนั้นผู้เห็นโทษของมันอย่างถึงใจแล้วจำต้องเพียรละทุกเวลานาทีไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นเพื่อพักผ่อนนอนใจให้กิเลสตัณหาเห ย, ยียบย่ำทำลายอีกต่อไปอย่างไรจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แม้จะยากลาบากก็ฝืนทนโดยคิดประมวลภพชาติต่างๆของตนที่จำต้องหมุนไปเพราะแรงของอวิชชาตัณหาว่าทุกต้องแทรกสิงอยู่ได้ในภพนั้น ถ้าไม่รีบแก้ไขปลดเปลื้องให้ผ่านพ้นไปเสียเนี่ยในชาติที่ควรแกการอยู่เวลานี้เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวช ท, ที่ควรจะทําให้จะทํากิเลสให้เกิดแห้งจักรใจได้อย่างมันเหมาะไม่มีชาติใดที่จะฆาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่เวลานี้คิดใดที่จะควรรีบบาเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึง กิจนั้นคือกิจที่เรากําลังบําเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันยังครองตัวอยู่อย่าให้เนิ่นช้าโมเสียเวลาไปนานเวลาอันถานตัวมีอํานาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลําบากและเสียการใช้ทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีเพ่ิงความภาคเพียนในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจท่านที่อยู่ขั้นสมาธิ กเกร่งเราให้มีกําลังมากขึ้นเผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกําลังและรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เกร่งการพิจารณาเข้าเป็นลําดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อานจตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกซึงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิตพอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ําเสมอ โดยอาศัยป่าเขาลำนาวไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหั่นแหลกกับกิเลส ท, ทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซ่องสมอยู่ภายในให้พินาศปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาสธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไรบางท่านก็ได้ใช้ชนะเป็นคันๆออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้านแห่งเขาบ้านแห่งถ้ำบ้านแห่งเนื้อผาบ้านแห่งป่าช้าบ้าน บางทีท่านฤาษีชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแ ย, มย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจ้าในวันเพ็ญฉะนั้นเวลามาพกปะหมู่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนของตนสู่กันฟังเป็นที่น่าอาัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดส ด, สดร้อนๆอนราวกับสาวกอรหันในครั้งพุทธกาลท่านสนทนามารพนิพานที่ตนบรรลุสู่กันฟัง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 โดยยึดปฏิบัติธที่ท่านอาจารย์มั่นท่านประสิทธิศาสาร์ให้แต่สมัยยังมีชีวิตอยู่ป่าเขาเป็นต้นจึงเป็นคำเลท่องเที่ยวบําเพ็ญของพระธุดงค์กรรมฐานสายของท่านเร่ยมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานจํานวนมากจําภรษาอยู่ตามป่าตามเขาเช่นเดียวกับสมัยท่านอาจารย์มั่นพาอยู่พระที่จําราษาอยู่ป่าเหล่านั้นโดยมากมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นําในการปฏิบัติเป็นแห่งๆไป สถานที่มีพระกรรมฐานสายนี้จะมาสาอยู่มากพอควรเวลานี้คือจังหวัดหนองคายแถบอำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่อำเภอพนที่สัสอำเภอบึงการซึ่งเป็นป่าเป็นเขาโดยมากพระกรรมฐานท่านชอบที่เจนนันเป็นธรรมลัตเป็นธรเลบําเพญที่ไม่มีดงหนาป่าถึงแกล้ภูเขามากท่านไม่ค่อยชอบเที่ยวไปอย่างมากก่็เพียงเดินผ่านหรือพักชั่วคราวตามคำอรัตนานิมนต์ของชาวบ้าน เพื่อการสงเคราะห์กันเป็นบางการเท่านั้นจังหวัดนครพนมแถบอำเภอคําชะอีและเขตติดต่อกับอำเภอเลิ ง, ลงนกทาจังหวัดอุบลซึ่งมีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่ตามแถบนี้อำเภอศรีสงครามมีป่ามากอำเภอบ้านแพงมีป่ามีเขามากอำเภอมุกดาหารมีป่ามีเขามากแถบนี้ท่านชอบพักอยู่เสมอมาจนทุกวันนี้จังหวัดสกลนครแถบอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพนาณิคมมีป่ามีเขาอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจังหวัดอุดรแถบอำเภอบ้านเผือ่อำเภอหนองบัวลํำพูอำเภอนากลางอำเภอหนองขานอำเภอเมืองมีป่ามีเขาเป็นแถบจังหวัดเลยแถบอำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองมีป่ามีเขามากพระกรรมฐานท่านชอบพักอยู่ตามอำเภอและจังหวัดเหล่านี้มากกว่าทุกจังหวัดทางภาคอีสาน ท่านที่สนใจปฏิบัติด้วยความมุ่งอัดมุ่งทมอย่างยิ่งยังมีอยู่มากมีพระเนรมารวมกันเป็นคลา ว, าวเวลามีงานเช่นงานชาปนกิจศบครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือดังงานศพท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอำเภอหนองขาจังหวัดอุดรที่ท่านชอบมาในงานเช่นนั้นโดยมุ่งจะได้ฟังอัดธรรมจากครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นที่เคารพนับถือที่มาในงานนั้น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 ในความอุตสาห์ของท่านแต่ละองค์เรายังแน่ใจระอบอุ่นอยู่ว่าถ้ายังมีท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามอย่างนี้อยู่ตราบใดผลเป็นเครื่องสนองตอบแทนให้องค์ท่านและประชาชนได้รับความชุ่มเย็นยังคงสืบต่อกันไปโดยสม่ำเสมอตราบนั้นไม่ขาดส่นสูญหลอกไปอย่างแน่นอนดังหลักธรรมที่ว่าดูก่อนอานนท้าผู้ปฏิบัติธรรมสงควรเกิดธรรมยังมีอยู่พระอรหรอันต์ย่อมไม่สูญไปจากโลก ดังนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแต่ธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าสมควรในข้อนี้เมื่อถือเอาใจความแล้วน่าจะได้แก่ความเหมาะสมเหล่านี้เรานี้เองความเหมาะสมของธรรมคือพร้อมด้วยเหตุด้วยผลจากพระโอษฐแห่งพระศาสดาตรัสเองที่เรียกว่าสวาขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องถ้าเป็นทางก็ตรงแน่วตอนจุดที่หมาย ไม่มีทางปิีทางแวะให้ผิดสำหรับผู้เดินตามถ้าเป็นอาหารก็สมบวรเป็นที่จากแม่ครัวผู้มีฝีมือเยี่ยมส่งรสชาติไวพอเหมาะพอดีไม่เผ็ดไม่เค็มเกินไปเหมาะกับชิ้วขาประสาทของผู้รับทั่ ว, วไปถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็เป็นชนิดที่วัดจากตัวของผู้สวมสสยเองไม่คับไม่หลวมเกินไปพอดิดพอดีกับผู้สงสัยทั้งหลายไม่เหมือนที่เขาตัดเดกเย็บเพื่อคนฟิตฟจัด จนดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเคลืนดูมากไปตาแตกโดยไม่รู้ตัวปรงธรรมสังเวชสามเดือนไม่จบสิ้นลงได้เพราะพิศดานเกินมนุษย์มนาเทวดาอินพรมแม้อยู่ในโลกทิศความเหมาะสมแห่งธรรมทุกบททุกบาทีท่ควรแกมักพนิพานโดยทายเดียวไม่เป็นอื่นเรียกว่าธรรมสมควรคือสมควรแกมักแกล น, นั่นเองส่วนคาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนั้น คือปฏิบัติตามธรรมที่เรียกว่าสุปฏิบัติอุชุยญายะสามีจินั่นแหละเป็นปฏิบัติสมควรไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ยิ่งกว่าธรรมไม่หย่อนกว่าธรรมไม่ปฏิบัติแบบแฝงแฝงแฝงแฝงเอาตามใจชอบเราก็เป็นศาสดาของธรรมทั้งหลายเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าปฏิบัติตามแบบสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติญายะปฏิบัติสามีจิปฏิบัติก็จัดว่า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 ไม่ว่าทางทางโลกหรือทางทางธรรมเหมือนกันเพราะธรรมที่สมคัรดังกล่าวย่อมเป็นอาการิกธรรมคือตรงแน่วต่อมาผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่นิยมการสถานที่นิยมเฉพาะการปฏิบัติถูกทำเป็นสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดถ้าปฏิบัติไม่ถูกทำไม่ว่าสมัยใดไม่มีหวังผลที่พึงได้รับเพราะขัดต่อหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควณแก่ทำ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 และมักผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขออภัยผู้เขีนมักเพอ้อเสมอพอไปไปเลยไปใหญ่กว่าจะร่างสติคืนมาได้ก็เลยมุมโรคไปแล้วจึงขอย้อนอธิบายเรื่องทัศุดงต่อไปพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่ท่านปฏิบัติจริงๆยังมีอยู่มากโดยมากท่านไม่ค่อยออกจาก่าจากเขาประชาชนที่อยู่ในเมืองหรือในเมืองหลวงจึงไม่ค่อยมีโอกาสทราบได้ว่า ท่านพักอยู่ในที่เช่นไรและอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจึงจะเรียนให้ทราบตามจังหวัดที่ท่านชอบพักอยู่แต่ในตัวจังหวัดจริงๆท่านไม่ค่อยชอบอยู่ชอบอยู่ตามอำเภอนอกๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาที่สงบเงียบห่างจากอำเภอและตัวจังหวัดอยู่มากบางแห่งรถเข้าไม่ถึงบางแห่งรถทอเข้าได้แต่ลําบากต้องบุกป่าบุกโคลนเข้าไปทนาฝนก็เข้าไม่ได้ ปกติพระกรรมฐานท่านจะไปไหนมาไหนชอบเดินแบบทุ ด, ดงคือเ ด, เดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆขึ้นเขาลูกนี้ปีนเขาลูกนั้นหาที่พักภาวนาภาตามวิสัยไม่ค่อยสนใจจะออกมาบ้านมาเมืองท่านปฏิบัติกันอย่างเงีย้ยเงียะใครๆไม่ค่อยสรา ح. แต่พระกรรมฐานด้วยกันท่านทราบเรื่องของกันตลอดทั้งภายในภายนอกว่าท่านองค์ใดพักอยู่ที่ไหนกันบ้างอำเภอใดในจังหวัดนั้นมีพระเนนประมาณเท่าไหร่ ส่าสต ก, กันได้ดีทุกระยะเพราะท่านติดต่อเป็นอยู่เสมอยิ่งครูอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือด้วยแล้วพระกรรมฐานยิ่งชอบมากราบเยี่ยมศึกษาอาธรรมกับท่านเสมอไม่ได้ขาดขณะนั้นไปขณะนี้มาตัดเปลี่ยนกันไปมาอยู่ไม่ขาดทั้งหน้าแรงหน้าฝนเว้นเฉพาะหน้าพรษาที่อยู่ห่างไกลก็มาลำบากจํ า, จาต้องขาดการติดต่อไปชั่วคราวส่วนที่อยู่ใกล้พอไปมาหาสู่กันได้ ท่านย่อมไปมาหาสู่กับครูอาจารย์และหมู่คณะเสมอเพื่อศึกษาอัธรรมด้วยความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมและถือเป็นประเพณีของพระกรมรมฐานมาดั้งเดิมที่ต้องมากราบเยี่ยมฟังการอบ ร, รมต่างๆตามโอกาสที่ควรฉะนั้นท่านจึงทราบการอยู่การไปของกันและกันได้ดีพูดถึงภูมิกิจภูมิธรรมของท่านที่สูงสูงก็ยังมีอยู่มากแต่โดยมากท่านเหล่านี้มีสมบัติไม่ค่อยนาออกจากใจเรียราา เหมือนคนมีทรัพย์ไม่ชอบอวดตัวเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใช้อย่างคนธรรมดาธรรมดาไม่ฟงเฟ้อเห่อเหิมให้วุ่นไปพระที่มุ่งต่อธรรมจริงๆท่านปฏิบัติตัวแบบนั้นต่างท่านต่างอยู่อย่างเงียบๆตามอัธยาศัยของผู้หนักไม่ทำไม่ชอบคุยโม้โอโอวด อ, อันเป็นลักษณะของโลกกม า, ามฐานสายนี้ท่านมีนิสัยเงียบๆชอบเงียบทั้งทางหูเงียบทั้งทางปากเงียบทั้งทางตา เงียบทั้งทางใจถ้าไม่ใช่ถูกกันเองจริงๆท่านไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับทำภายในของท่านให้ใครทราบเลยฉะนั้นเมื่อด้ึงใครก็ตามคุยเคืองๆหน่อยโดยหาเหตุผลไม่ได้ตามนิสัยของคนชอบอวดตัวท่านหล่านี้จึงมักเยี่ยงศีสักคอยแต่จะเป็นลมตามนิสัยพระกรรมฐานสายนี้ที่ชอบเป็นคนทาตอ่อนในทางคุยโม้โ อ, โอ้อวดเนื่องจากท่านไม่สัมผัสจัดเจนกับสังคมซึ่งมักมีเรื่องเคืองๆปะปนอยู่เสมอ เรื่องอย่างนี้ท่านมักถือกันมาแต่ครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาอย่างสงบสงเงียมถ้าใครคุยเคืองหน่อยท่านมักท้องเสียไปตามๆกันเกิดปวดมนท้องขึ้นมาทันทีทันใดและชอบลุกหนีไปหาฉันยาแก้โรคชนิดนี้ทันทีปกติท่านไม่เคยเคืองในวงกรรมฐานด้วยกันถ้าใครคุยเคืองๆบ้างท่านมักหัวเราะ อ, อยู่ในลาคอและหันหน้าเข้าฝาบ้านเข้าป่าบ้านกลัวเป็นลมถ้าทนฟังไปนาน ในวงเดียวกันผ้าองค์ได้ชอบคุยเคืองเช่นนั้นท่านรังเกียจว่าสู้แมวและเสือก็ไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดนี้เขายังรู้จักซ่อนเล็บซ่อนเขี้ยวของเขาดีกว่าพระบ้าน้ำลายถึงเวลากลางเล็บแยกฟันตามเหตุการณ์ที่ควรเขาจึงแสดงออกส่วนเราเป็นมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานซึ่งเป็นเพศที่ควรไขควรโดยละเอียดสุขุมก่อนจะระบายอะไรออกมาแต่ยังมาคุยโมโ้โอ้โอวดได้โดยไม่รู้จักอาย ต่อสถานที่บุคคลการเวลาบ้างเลยท่านจึงมักเข้าใจ ผ, ผิดไปว่าองค์เช่นั้นเป็นกรรมฐานหน้าไม่รู้จักอายและท่านที่หนักในทรรมทั้งหลายไม่ค่อยเข็มใจคบค้าสมาคมด้วยโดยถือกันว่าเลยพลเมืองดีทั้งหลายไปแล้วด้วยเหตุนี้นอกจากวงปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงยากที่จะรู้ภูมิจิตภูมิธรรมท่านได้อย่างง่ายๆนอกจากผู้เคือง ซึ่งใครก็อาจรู้ภูมิซึก่อนแต่ยังไม่สนใจถามพระที่ท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ชอบคุยนอกจากเก็บตัวเงียบๆ เ, เพื่อสั่งสมธรรมภายในให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่ชอบไปทําที่กำลังรักสงวนกระจายออกไปโดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะซุกก่อนหามและขายก่อนซื้อที่โล ก, กถือกันว่าเป็นความเลวทรามวงปฏิบัติจึงระมัดระวังกันมากตลอดมาแต่ครูอาจารย์โดยมีความเห็นว่า การพูดทมภายในซึ่งเป็นสมบัติของตัวโดยเฉพาะแก่บุคคลที่ไม่คุ้นเคยและไว้ใจกันมาก่อนเป็นความไม่รู้จักความเหมาะสมในตัวเองในสังคมและในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นการขายตัวแทนที่จะเกิดประโยชน์เรื่องธรรมนองนี้ไม่ว่าเฉพาะทางธรรมซึ่งเป็นความละเอียดเลยแม้แต่โลกที่มีสมบัติผู้ดีจิตตัวเขายังรู้จักผอมตนระวังตัวไม่คุยโม้โอ้อวด อ, อ, อันเป็นลักษณะประกาศความลามกของตัว ให้คนมีสมบัติผู้ดีเบื่อรำคาญทมยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของนักกราดมาประจําแผ่นดินซึ่งควรระมัดระวังสมกับผู้มีภูมิธรรมในใจไม่เปิดปล้อยให้เรียราาศาสตร์กระจายไปแบบไม่รู้จักประมาณความพอดีจนเป็นที่น่าสลดสังเวชแก่วงปฏิบัติและพุทธบริษัทด้วยกันราวกับสิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่วงปฏิบัติท่านสงวนตัวสงวนธรรมนั้นชอบแล้วผู้เขียน แม้ไม่มีความรู้ที่แหลมหลักนักปราชาติกวีอะไรเลยยังรู้จักเรื่องสายท่านเพราะเป็นปฏิปทาที่สงบสงเงียบเกมตนไม่พเพย์เยอะยิงอันเป็นลักษณะลิ่งได้แก้วแต่ไม่รู้จักวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์พาห้อยโหนโยนตัวไปบนกิ่งไม้ใกล้กริ่งชันชันเพราะโหนไปไม่ถึงไหนก็พาแก้วหล่นตมลงก้นเหี่วลึกแหลกละเอียดแตทั้งตัวทั้งแก้วอันมีค่าและฉิบหายไปด้วยกัน จึงพอเป็นคติเตือนใจได้ทั้งทางโรคทางธรรมว่าไม่ควรเอาอย่างลิงได้แก้วมาใช้ให้เลอะเทอะแ ก, ะโก่โรคแก่ธรรมต่อไปจะกลายเป็นโรคเนื้อรังระบาดทำลายโลกและทำให้จีตหายไม่มีประมาณว่าจะยุติลงได้พระกรรมฐานบางองค์แม้อายุพรรษาอย่างน้อยแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติท่านเด็ดเดียวอาถารดีน่าเป็นคติและประดับเกียรติแก่วงคณะปฏิบัติได้ดียังมีอยู่หลายท่าน บรรดาที่เป็นลูกศิษย์บ้านปลายของท่านอาจารย์มั่นระยะนี้ท่านกําลังเร่งรีบทางความเพียรภายในต่อไปจะได้อาศัยท่านเหล่านี้เป็นกําลังพระศาสนาและเป็นผู้นํำมูคณะต่อไปเมื่อครู อ, อาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านล่วงลับไปอันเป็นคดีธรรมดาที่ใครใๆจะอดระลึกไว้ก่อนนี้ได้วันนี้ท่านองนี้ล่วงไปคนนี้ล่วงไปวันหน้าท่านอง์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปวันหน้าเดินหน้าปีหน้า องนั้นร่วงไปคนนั้นร่วงไปหรือวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราท่านอาจร่วงไปหรือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราท่านอาจร่วงไปก็ได้เพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิ้นเนื่องจากต่างคนต่างเดินเหยียบย่ำไปมาอยู่กับโลกอนิจจังด้วยกันตลอดเวลาไม่ทราบว่าเราหรือท่านผู้ใดจะเหยียกผิดพลาดาตกลงไปในหลุมแห่งอนิจจังหือความสลายตายจากเมื่อไร ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทนอนใจในชังขานคือตัวเราตัวท่านเองพระองค์ท่านที่เด็ดเดียวรีเฟ่งตักตวงความเพียรไม่หยุดอย่างนั้นท่านอาจเลเห็นกฎพินาศที่ลีกเว้นไม่ได้นี้อย่างเต็มใจก็ได้จึงพยายามแวกว่า้ด้วยวิธีต่างๆไม่ได้ลดละปล่อยวางความเพียรคราวจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อกฎของชาติโดยทางบ้านเมืองขออาราธนาท่านลงมาจากภูเขาชั่วคราว เพราะเป็นแดนที่ไม่น่าพอใยทั้งท่านเองและท่านผู้อื่นจํานวนมากเกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของบ้านเมืองที่กําลังเป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งอาจมีทั้งร้ายทั้งดีที่มีครนรอนใจเมื่อบ้านเมืองสงบพอเป็นที่เย็ยนใจแล้วค่อยขึ้นไปพักบาเพ็ญตามอัธยาศัยท่านยังรู้สึกอึดอัดใจที่จําต้องปฏิบัติตามโดยออกจากป่าจากเขาลงมาอยู่สถานที่ธรรมดาแม้เป็นเสนาชนป่าที่มีความสงัดวิเวกอยู่บ้าง ไม่วุ่นวาจนเกินไปทั้งนี้เพราะความสะดวกต่อการบําเพ็ญที่เคยได้รับผลในสถานที่เชนั้นมาเป็นประจําและถูกกับอัปยาสายของผู้มุ่งหวังอัดทมอย่างแรงกล้าภายในใจมาประจํานิสยัยเมื่ออยากคัดพลากจากแดนที่เคยให้ความสุขสําราญแก่ใจเวลาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่ใจนักในการบําเพ็ญว่าจะได้รับความสะดวทางใจเพียงไรความอดอยากขาดแฟนของพระกรรมฐาน พระธุดงกรรมฐานที่มุ่งหน้าต่อแดนทุนทุกอย่างถึงใจมักจะประสบแต่ความอดอยากกันดานในปัจจัยทั้งหลายประจำปฏิภาวด้วยความสมัครใจคือท่านชอบอยู่ในที่อันตรคตกันดานนอกจากความขาดแคลนตามสภาพของสิ่งเกี่ยวข้องในที่นั้นๆแล้วยังเป็นความสมัครใจที่จะทำตนเป็นความอดอยากขาดแคลนอีกด้วยอาหารบินทบาทได้มามากแต่รับเพียงเล็กน้อยบ้างรับเพียงข้าวเปล่า ทั้งที่อาหารมีอยู่บ้านตั้งใจไม่ฉันสีบ้างเป็นวันวันไปอดไปทีละหลายหลายวันสลับกันไปบ้างทางนี้ท่านสังเกตใจเป็นสําคัญขณะที่ฝึก ด, ด้วยวิธีต่างๆแต่ละแบบนั้นขณะภาวนาจิตได้รับผลแห่งความสงบและแยกคลายทางสติปัญญาต่างกันอย่างไรบ้างทําความสังเกตกําหนดวิธีที่เกิดผลดีกว่าวิธีอื่นๆไว้แล้วพยายามทําตามวิธีนั้นโดยสมอำเสมอบางทีก็อดไปหลายวัน แล้วมาฉันด้วยวิธีผ่อนบ้างหรือผ่อนไปหลายวันแล้วหยุดฉันไปบ้างราวสี่ห้าวันจึงฉันและผ่อนไปพอประมาณการสังเกตธาตุขันกับจิตใจต้องสังเกตไป พ, พร้อมๆกันถ้าธากขันรู้สึกอ่อนเพลียมากก็ฉันเพิ่มเป็นอีกพอประมาณแต่ไม่ให้พอกับความต้องการของธาตีเดียวจะทับจิตเกินไปเช่นเพิ่มขึ้นจากที่เคยผ่อนอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิเอร์เซ็ต ถ้ารู้สึกว่าธาจะวีการเพราะขาดอาหารมากไปก็ลดการผ่อนและการอดเสียงชั่วระยะหนึ่งจนทาตพอตั้งตัวได้แล้วค่อยผ่อนหรืออดอาหารอีกต่อไปเฉพาะจิตของผู้ถูกกับจริจในทางนี้ยอมเจริญก้าวหน้าเกินไปโดยลำดับแม้ถึงการที่ควรจะนุโลมผ่อนผั น, ผนตามธาตุขันที่กำลังดิการอ่อนเพลียแต่ใจก็มาอยากอนุโลมตามยังอยากผ่อนหรืออดอยู่ร่าไป เพราะเคยเห็นผลทางใจเพิ่มขึ้นทุกระยะที่ผ่อนหรืออดอาหารหากจาเป็นต้องผ่อนผันสั้นยาวก็หาการจนพอดีทั้งธาตุขันและจิตใจก็ควรทำการดำเนินจึงสะดวกตามความประสงค์ที่มุ่งหมาย